สิกขาบทที่สองถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตินิสักเคียปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้อธิษฐานอากาละจีวอนเป็นกาละจีวอนแล้วให้แจกกันณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใคร ตอบทรงปรารพภิกษุณีทุลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลนันธาอธิฐานอากาละจีวอนเป็นกาละจีวอนแล้วให้แจกกันในนิสักเียปาจิตตีสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ